นาโมตัสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภควอาคมาเคนาปัญจมาเรยัสเสสะโตผันขิตวานาสิาปะโต สาปาลังคังนามามิตังคันตวะโมนิวโรตัมหังอนิมีเสวราเสนีขคเนปุณาจันโดวาซาณิมิสังนามามิตังวันตามิโสณเพนาโททัสเตวาปติหาเรียงวาซาโดวิยาจังกมี สาจังกามังนา ม, ามิตังตรณาธาิตสังกาโซโลกาโครัตนาคเรตโสเสศิชนงรังเสหิสคราหังนา ม, ามิตังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้ามีกิเลสมารเป็นต้นพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิง ด้วยอรหัตมรคยานบรรลุนุตรสัมมาสัมพธิยาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมุนีเสด็จออกจากโพธิพฤกนั้นแล้วเสด็จประทับยืนณนะสถานที่อันประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่กระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพนบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมทั้งสถานที่ประทับยืนอันไม่กัะพริบพระเนตรนั้นพระนาถาเจ้าพวกใครจากอามิตรคือราคาเป็นต้นทรงสแสดงยมกปฏิหารอันน่าอัศจรรย์สเสด็จจงกรมองค์อาจดังราชสีนรัตนะจงกรมเจดี ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นพระไตรโลกนาถผู้เปรียบดังเสาเขื่อนอันมั่นคงเสด็จประทับอยู่ในรัตน์คระเจดีกล่าวคือเจอดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมนัดด้วยพระรัศมีกล่าวคือพระฉับพันรังศีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาฏ พระ อ, องค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคระเจดีเจดีคือเรือนแก้วนั้นด้วยเสียงเกล้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากันณนะสถานที่แห่งนี้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็น อุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าไปถึงพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะขอเราท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมัน่นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ที่พระองค์เองเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาในการละสมัยการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตั้งจิตใน กระแสความคิดของตนเองว่าเป็นปุญญาลาภอันปเปิดเสริฐแล้วหนอที่เราได้มาอุบัติเกิดขึ้นท่านต่อการเสด็จตัดสรุนุตตระสำ ม, มาสัมพวิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้น้อมจิตของเราท่านทั้งหลายได้มาลึกถึงพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจิตของเรามีโอกาสได้น้อมถึงพระรัตนะไตรอันมีวัตถุสาคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะ เราได้มีโอกาสเดินตามรอยบาทพระศาสดาด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาได้มีโอกาสยังศรัทธาเราให้เต็มเปี่ยมยังคุณของพระพุทธเจ้าให้เต็มห้องกระแสความคิดของเราท่านทั้งหลายแล้วก็พยายามเพิ่มเติมยังศรัทธายังความเพียรยังสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆตรงนี้โอกาสในการที่เราจะได้กอบบุญในการที่มาประชุมในกระแสขันกระแสชีวิตนั้นน่ะ เวลาอันน้อยนิดเราต้องเพียรพยายามในการทำอย่างมุ่งมั่นและติดต่อเราไม่รู้เลยว่ามัจจุราชจะมาพากกระแสชีวิตรเราไปณเวลาไหนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหมู่สัตว์ทั้งหลายพากันตายกันเป็นร้อยร้ยล้านพากันเปลี่ยนพบแต่เรายังมีโอกาสที่ลมหายใจยังไม่ขาดไปก่อน ฉะนั้นจงทาทุกอียบทในการยืนเดินนั่งนอนนั้นนะ่ให้มั่นคงในระรัตนาไตรให้มั่นคงในพระธรม ร, ะธรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมในการที่จะฟังพระธรรมเพื่อจะขัดเกลวกระแสะความคิดกระแสะชีวิตของตนเองนั้นนะ่ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดน้อมในการที่จะประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาต菩าสดายาง่งมันอย่างแท้จริง ยามใดที่เดินตกออกจากคําสอนของพระพุทธเจ้ า, จา ก, ก็รีบโดยเร็วให้มีสติกํากับอยู่กับตัวรีบกลับขึ้นมายืนอยู่บนรอยบาทด菩าสดาอย่าออกไปจากรอยบาทของ菩าสดาจะทําให้เรานั้นน่ยไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นถึงบอกว่าหน้าอนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่พยายามขวนขวายกันอย่างดีที่สุดนะถึงแม้ว่าจะหลุดบ้างตั้งใจได้บ้างอะไรก็แล้วแต่แต่หลายคนก็เพียรพยายามที่จะกระทำเพียรพยายามในการที่จะ มณสิการเป็นต้นเหล่านี้ทำให้นึกถึงในพระสูตรสูตรหนึ่งที่เราในวันนี้อยากจะนําพระสูตรสูตรหนึ่งมากล่าวเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดในการที่จะพิชิตกถาศาสตร์ทำยังไงที่เราจะเดินเมตตาให้เกิดขึ้นได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องในพระสูตรสนี้ในโอปามาวักหมวดว่าด้วยข้ออุปมาเนีก็หมายความว่าในกกจูปามาสูตรหรือ ก, ากกาจูปามาสูตรเนี่ยว่าด้วยอุปมาเรื่อยๆ ทีนี้ในพระ ส, รสูตรนี้เป็นสูตรที่ควรจามามนาสิการและควรคิดในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้ละโทษะหรือเห็นโทษของโทษะและจะได้เพียรพยายามในการที่จะมุ่งมั่นในการขัดเกลาเดินตามพรหมวิหารมีเมตตาภาวนาอย่างนี้เป็นต้นในพระสูตรสตรนี้อาจจะเล่าพอเป็นสรุปแต่จะจับประเด็นให้ได้มากที่สุดเนีเท่ากับเวลาที่ยังมีอยู่เนี่ยเป็นพระสูตรที่สูตรยาวแต่มาพยายามจะสรุปประเด็นให้ได้ชัดเท่าที่จะกระทําได้นี่เนี ในพระสูตรนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันรามของท่านอนาถาพิธิกกาเสถีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระโมริยาภคคุณะอยู่คลุกครียกับภิกษุณีเกินเวลาก็คือภิกษุกับภิกษุณีคลุกครียําว่าคุกครีกับสามะ ค, คีคนละอย่างเนาะถ้าคลุกครียเนี่ยเป็นชื่อของตัณหามาณะและทิฏฐิ ถ้าเราท่านทั้งหลายเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ปู่ตายายยายหรือเกี่ยวข้องกับท่านผู้ใดด้วยตัณหาคือความทยานอยากด้วยมานะคือการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนและด้วยทิฏฐิคือความทัศนกอดความเห็นไว้อย่างมั่นคงไม่ยอมปล่อยการไปเกี่ยวข้องกับใครด้วยตัณหามานะทิฏฐิเขาเรียกครุกคลีต่ออยู่กันหมู่มากอย่างเงี้ยนะแต่เราเกี่ยวข้องกันด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิอย่างงี้ก็ไม่เรียกว่าสามัคคีเขาเรียกครุกคลี ทำไมคุกครีรู้ไหมตันหาที่มันถักออกมาให้พูดกันด้วยความอยากบ้างพูดกันด้วยการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่หรือว่าพูดด้วยทิฏฐิมีทิฏฐิกํากับอยู่กับใจแล้วก็ล็อกทัศนคติล็อกความเห็นล็อกทิฏฐิล็อกความเชื่อแล้วก็เอาความเห็นของตนเองน่ะแสดงออกมาชนกันบ้างกระทบกันบ้างแล้วก็ตันหาออกมาแพร่ แพร่เชื่อตันหามานาทิติออกมาเดินก็มีตันหามานาทิติปล่อยเชื่อของตันหามานาทิติออกในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ เ, เรียกเดินชนชฉยกิ่นของกิเลสออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเขาเรียกคุกครีพภพภคุณะโ ม, โมริยะภคุณะกับ นางภิกษุณีกลุ่มนางภิกษุณีเธอก็ท่านก็คลุกคลีกันแบบนี้คลุกคลีกันด้วยตันหามานนะการคลุกคลีในยุคนั้นไม่ได้ไปทําเสียหายอย่างอื่นนะแต่ว่าสมาคมกันด้วยตันหาสมาคมกันด้วยมานะสมาคมด้วยทิฏฐิพูดจาหลอกหยอกล้อกันกระซิบกระซาบกันแล้วก็มีการหยอกล้อกันเถียงกันพูดแย่กันกระทบกระทั่งกันโกรธกันบ้างดีกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคลุกคลีไม่ใช่สามัคคี ถ้าสามัคคีนั้นต้องเป็นชื่อของกุศลแลธรรมที่เดินในใจเช่นมีเมตตาเกิดขึ้นในกระแสะของความคิดแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กันพูดด้วยเมตตาทําด้วยเมตตามองหน้ากันด้วยเมตตาเกี่ยวข้องกันด้วยเมตตามีเมตตาเป็นตัวผักดันมีกรุณาเป็นตัวผักดันออกมามีมุทิตามีเวขาเป็นตัวผักดันออกมาเชื่อมโยงปสานกันรักษณา น, นี้เขาเรียกสามัคคีเข้าใจนะว่าครุกคขีกับสามัคคีมันต่างกันอย่างนี้เนาะทีนี้ ตอนนั้นก็คือว่าเมื่อคุกคลีกับภิกษุณีเกินเวลาแล้วถ้าภิกษุรูปใดตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าท่านท่านโมริยะก็โกรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นบ้างและถ้าภิกษุรูปใดตำหนิท่านต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นพวกหล่อนก็จะโกโรธไม่พอใจภิกษุรูปนั้นถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นบ้าง ท่านโมริยาพคกคุณาอยู่คุกครีกับภิกษุณีอย่างนี้อันนี้แปลบ่งบอกว่าเนี่ยท่านมีพฤติกรรมแบบเนี้ยใครไปว่าใครไปตำหนิเบ็ดเสร็จก็คือมีการโจดขานมีการก่อธิกรก่อธิกรนี้ที่นั่นทิกรมีสี่อย่างนะวิว า, าทาธิกรบ้างอนุวาธานิกรบ้างอาปตาธิกรและกิจจาทิกรวิวาธาธิกรก็คือการเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินยัยโอเถียงกันหน้าดําตาแดงยงเคยเป็นไหมล่ะ พระองค์น e so ั้นพูดผิดพระองค์นี้พูดถูกเถียงกันยกขึ้นมาเป็นเหตุในการเถียงกันเนี่ยแท้ที่จริงการเถียงกันด้วยตัณหาด้วยมานาด้วยทิฏฐิเป็นตัวขับเน้นในการเถียงกันเนี่ยองค์นั้นพูดดีองค์นี้พูดไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นน่ยนีอย่างนี้ก็วิวาธาทิกกรอนุวาธาทิกกร์ก็คือการโจดหรือการข่าวหากันด้วยอบัติหรือโทษที่เกิดจากการละเมิดสิกขาบทก็ไปบอกเ่าท่านพวกนี้ละเมิดสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้ก็ว่าไปเนี่ยยกอาบัตยกข้อปฏิบัติยกสิกขาบท ของภิกษุของสั ม, มนเนนของภิกษุณีอะไรก็แล้วแต่มาโจดขานกันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอนุวาถาธิกรส่วนอปัตตาธิกรก็คือการต้องอบัติการปรับอบัติแล้วก็การแก้ไขตัวให้พ้นจากอาบัตติเขาเรียกอปปัตตาธิกรใครต้องอบัติปุ๊บเขาก็มีวิธีการจะออกจากอาบัตติยังไงอย่างนี้เป็นต้นก็มีการประชุมมีการบอกข่าวกันประการสุดท้ายก็กิจจาธิกรก็คือกิจธุระต่างๆที่จะต้องทําเช่น อุปสมบทกรรมเป็นต้นเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงกระทำอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกวกิจยาทิกอนเนาะนี่แหละอธิกรณ์ก็จะมีสอย่างแต่ในเรื่องนี้ท่านพูดถึงอนุวาธาธิกอนนะหมายความว่าพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าการโจดหรือการกล่าวหากันด้วยอัปัติภิกษุภิกษุนีกลุ่มนี้มีท่านโมริยะพคคุณเป็นต้นเหล่านี้ครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งก็เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ประทับ แล้วก็ถวายพิวาทแล้วก็นั่งน่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็กราบทูลบอกว่าท่านพระโมริยะพระคุณะอยู่คุกคลีกับภิกษุนีเกินเวลาพอพูดในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกไ ป, ไปกราบทูลพระโมริยาบอกว่าถ้าภิกษุรูปใดตำหนิภิกษุนีเหล่านั้นต่อหน้าท่านท่านโมริยะก็โกรธไม่พอใจภิกษุนั้นถึงกับตั้งอธิกรณ์ขึ้นบ้างนปรับอาบัติอย่างนี้เป็นต้น ถ้าภิกษุรูปใดตําหนิท่านต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธไม่พอใจโกรธไม่พอใจก็มีการโจดขานอาบัติซึ่งกันและกันท่านโมริยะพกคุณานี่คุกคีกับภิกษุณีด้ว ย, ยการอย่างนี้พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบก็ทรงตําหนิบอกว่าพุระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งบอกมาให้ไปตามท่านโมริยะพาคุณามาภิกษุรูปนั้นรับสนองพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปหาท่านโมริยะพัคุณา เมื่อเข้าไปหาเบสเซนแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกหาเออพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็นจะรีบแก้ไขเพื่อจะปิดการสงบระงับท่านโมริยาภคุณะก็รับคําภิกษุนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าภคุณะจริงหรือที่เขาลือกันว่าเธออยู่คลุกคทีกับภิกษุณีเกินเวลาเนี่ยคันแล้วถ้าภิกษุรูปใดตํามิ ตำหนีภิกษุณี้เหล่านั้นต่อหน้าท่านเธอก็โกรธไม่พอใจแล้วก็ถึงกับการก่ออธิกรณ์ขึ้นหรือถ้าภิกษุระอบใดตำหนีเธอต่อหน้าภิกษุนี้ภิกษุนี้เหล่านั้นก็โกรธไม่พอใจถึงกับก่ออธิกรณ์ขึ้นท่านพระคุณะก็ทูลรับบอกว่าจริงพระเจ้าค่ะเนี่ยใช่ไหมเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างทีนี้พระเจ้าเลยตัดถามต่อว่าเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา มิใช่หรือเธอมีตถาคตพอที่ศรัทธาไหมนะคำว่าภิกษุนี่เป็นประธานนะหมายถึงภิกษุนีอุบาศกบาสิกาพวกเราด้วยถ้าถามพวกเราว่าพวกเธอที่ประกาศตนเองเป็นอุบาสกประกาศตนเองเป็นอุบาสิกาด้วยศรัทธาในพัต ถ, ถาคตใช่ไหมเราจะตอบว่าไงแล้วก็ตอบว่าใช่เรามีตถาคตพธที่ศัทธาไหมเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพัฒฐาคตไห ใช้ศรัทธาความเชื่อมั่นของเราเนี่ยไปยึดโยงไว้กับปัญญาญาณของพระสัมมาสัพุทธเจ้าพระพเจ้าทสรูปทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธรรสัจจะและมรคสัจจะเธอเชื่อมั่นตรงนี้ตามความเป็นจรงิงเชื่อมั่นในพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเชื่อมั่นบุคคลที่ปฏิบัติตามวัฒธรรมแล้วจะบรรลุสู่ความเป็นบุตรจากปุถุชนก็สู่ความเป็นอริยสงฆ์เธอเชื่อมั่นอย่างนี้ใช่ไหมขอเชื่อเนี่ยพวกเรามีตถาคตโพธิสัต tha เชื่อมั่นใน ปัญญายานเอาความเชื่อไปฝากไว้ในปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาใช่ไหมเราก็เลยเอาศรัทธาไปฝากไว้กับปัญญายาณแล้วก็ยอมรับนับถือปัญญายาณของพระ อ, องค์เมื่อพระ อ, องค์เนี่ยตัดสู้ความจริงใดๆบอกความจริงนั้นมาเราน้อมรับมาและจะปฏิบัติตามด้วยความเชื่อมั่นด้วยความไม่หวั่นไหวต้องการจะฝึกตนเองจากศรัทธาพัฒนาไปถึงปัญญาตามพระ อ, องค์ให้ได้นี่มีตรงนี้ใช่ไหม เขาอยกมีตถาคตโพธิสัตถามีหรือไม่มีถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลียสัตว์ได้โดยตนเองและประกาศหลักการใหสัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยแล้วบอกว่าเออเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าประกาศหลักการนั้นใหบุคคลอื่นตรัสรู้ตามแต่ขาดความเชื่อมั่นเราว่าเราไม่คงไม่สามารถจะปฏิบัติตามและตรัสรู้ตามได้แน่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีตถาคตโพธิสัต t h เข้าใจไหม ถ้าจะมีตถาคตโพธิสัต tha นึเชื่อมั่นปัญญายาณของท่านที่ทรงตัดสู้ความจริงเชื่อมั่นพระธรรมทีท่พระองค์แสดงแล้วทําให้สัตว์อื่นตัดสู้ตามมีท่านพระอัญญาโกณฑญาเป็นต้นนางวิสาขาเป็นต้นเนี่ยตัดสู้ตามหมดแล้วแต่บอกพอมนทึกถึงตนเองบอกโอ้ชันไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าจะตัดสู้ตามอันนี้เขาแปลว่าขาดอะไรไม่มีตถาคตโพธิสัต tha ั้นวัดกันแค่ตรงเนี้ย ที่นั่งอยู่นี้มีหรือไม่มีเชื่อมั่นพระเจ้าแล้วมาเชื่อมั่นตัวเองไหมเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นว่าเจ้าไหวหรืออย่างงี้เขาเรียกไม่มีตถาคตเพราะที่ศรทธาเข้าใจอย่างหวังว่าทุกคนน่าจะมีกันนะมีไม่มีมีกี่เปอร์เซ็นต์คะ เต็มเปี่ยมเลยเลยโหถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์จะเอื้อมมือข้ามมหาสมุทรมารูปศีรษะอย่างนี้จริงๆนี่นเรามีศรัทธาเต็มเปี่ยมพระองค์จะเอื้อมถ้ายังทรงพระชนอยู่ยังไม่ปรินิพพานถ้าใครมีศรัทธาเต็มเปี่ยมนี่พระองค์จะเอื้ม อ, ม ม, อ, อมมือข้ามมหาสมุทรมารูปศีรษะแล้ว อย่างนั้นพูดละคนลุก <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้บริพรุทธเจ้าเขาจะพูดปอบโยนกันนี้มีใครที่มีตถาคตโพธิสัตทามีอาจาระสัตธาสัตตาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบรรลุอริยสัจปุ๊บเนี่ยพระก็จะบอกว่าท่านโมทนากับท่านเลยนีย้อนุโมทนาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงวชิอยู่พระพุทธเจ้าจะ เอื้อมมือข้ามหาสมุทรบรรลุศีตะท่านบอกโอ้บุตรของเราอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วนั้นศรัทธาเนี่ยตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยถ้าได้เพียงแค่เอาไปฝากไว้กับปัญญายานของพระเจ้าแต่ไม่เชื่อมั่นศักยภาพของตนเองว่าจะสามารถเดินตามฝึกตามปฏิบัติตามเข้าถึงได้อย่างนี้เขาเรียกไม่มีตถาคตโพธิศรัทธา แต่ฟังพวกเราแล้วน่าจะมีกันทุกคนหรือเกือบทุกคนฮะทุกคนหรือเกือบทุกคนเราอย่าไปรับรองคนอื่นสิชอบรับรองคนอื่นเนี่ยทีนี้อยากจะรู้เรื่องคนอื่นสรุปแล้วทุกคนหรือเกือบทุกคนบอกไม่รู้แต่รักษาศรัทธาตนเองไว้จะไม่ให้ศรัทธาของตนเองเนี่ยหลุดใช่ไหม หลุดแสบตาเนี่ยไม่ใช่พาร้องไห้เลย่เามาระยะหลังมาพูดถึงพระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้พูดไปพูดมาแล้วตามองหนังสือไม่เห็นเอแปลงต้องเอาเอาทิชชู่เนี่ยเช็ดติดนบางทีออ้มาก็โทษแว่นจริงๆโทษอะไรดี โทษอะไรตานี่แหละไม่ดีเอถึงไหนแล้วเนี่โอเดี๋ยวจะไม่จบมาเหลือเวลานิดเดียวเรื่องนี้ยาวด้วยมนจะสรุปยังไงกำลังคิดอยู่นี่ถ้ามีเวลามากๆมาจะวิจัยสูตรนี้ให้ฟังแต่เพรเอิญเวลาจำกัดเอดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วโยมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า เธอเป็นกุลบุตรเนี่ยออกบวชจากเรือนเนี่ยเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธามิใช่หรือถามเราประกาศตนเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะมีตถาคตโพธิศรัทธามิใช่หรือถามคำเดียวกันใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> มีตถาคตโพธิศรัทธาล้วก็บอกว่าท่านพระนะ มโมริยาภคุณาก็ทูลบอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัดว่าภคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีเกินเวลานี้ไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยดังนั้นถ้าภิกษุรูปใดตําหนิภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอเธอก็ควรละฉันทะ ฉันทะและวิตก อ, อาศัยเรือนไอ้ชันทะและวิตกที่อาศัยเรือนเนี่ยเขาเรียกกาล ม, มาชันทะความติดใจฝ่กระสันในสีที่สวยๆเสียงที่เพ้อๆกลิ่นเดี่ยวหอมรสอร่อยสัมผัสที่เนิ่มๆแล้วก็วิตกที่อาศัยเรือนอาศัยเรือนที่อาศัยกาล ม, มาคุณเนี่ยเวลาเราไปผูกพันกับใครนะเช่นเราไปผูกพันว่าท่านคนนี้เป็นอะไรกับเราเป็นเพื่อนของเราเป็นพี่เป็นพ่อเป็นนอ้อง เป็นปู่ตายายายเป็นสารมีสเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นต้นพอไปยึดติดขึ้นมาเบดเสร็จปุ๊บ ม, มาเนี่ยถ้ามีใครมาตําหนิคนที่เรามีฉันท่าไปยึดติดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามีใครมาตําหนิคนที่เรารักเหมือนตําหนิเราด้วยไหมเต็มที่เลยไหมถ้ามีใครด่าถ้ามีใครด่าพ่อเราเหมือนด่าเราไหม ด่าแม่เราด่าสามีเราด่าภรรยาเราด่าลูกเราเนี่ยด่าเพื่อนเราถ้ามีใครมาด่าเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเจ็บจิตจิตเลยไหมและตรงกันข้ามถ้ามีใครมาชมชมพ่อแม่ปู่ตายายยายของเราเรารู้สึกมันฟูขึ้นด้วยไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าครุกคลีกันโดยอาศัยเรือนเนี่ยครุกคลีกันด้วยตันหามานาทิถีแล้วงั้นจะทำยังไง เขาด่าก็ไม่สนใจใช่ไหมหรื อ, อยังไงตรงนี้แหละที่บอกว่าในข้อนั้นนะเธอควรประพฤติอย่างนี้ว่าถ้าเกิดภาวะอย่างนี้ถ้าเราไปเกิดเรามีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องปูต่ตายายๆนะ่ะถ้ามีใครมาตำหนิเราหรือตำหนิคนที่เกี่ยวข้องกับเรานี่นะจิตของเราต้องไม่หวั่นไหว จิตต้องไม่แปรปวนวิธีการนั้นหนึ่งตั้งจิตไว้อย่าให้จิตแปรปวนวิธีที่หนึ่งนะแล้วก็สองเราจะไม่หน้าเนี้ยคิ้วขมวด3เราจะไม่ให้ค้างสันสเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายออกไปโดยมากเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราสกัดกั้นได้ตอนไหนตอนจิต ตอนจิตแปลพปวนไหมจิตเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเคยเป็นไหมแล้วเริ่มหน้านิว้วคิ้วขมวดจนคนเขาคนเขาสังเกตเห็นเลยเจ้านี้โกรธแล้วนี่โกรธแล้วเนี่ยหรือคางเริ่มสัน่นหรือเปล่งวาจาชั่วโดยมากเวลาเกิดโทสะหรือเกิดความโกรธเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยโดยมากเรายับยั้งในระดับไหนระดับที่หนึ่งสองสามสี่หรือไม่เคยยับยั้งเลยปล่อยพวดเอาไว้ทุกครั้งเลยปล่อยไม่ปล่อย ปล่อยไหมจริงเอไม่เคยปล่อยออกมาเลยนะห้ามโกหกผ้าสวยนะ <c oughs> ไม่ปล่อยแล้วนะทำยังไงวิธีอดกั้นหนึ่ง <c oughs> สองสามีนับนะอยาจะนับถึงสิบแล้วพวดเลยนะอะไรเงี้ยปเป็นงั้นหรือเปล่าจิตก็คือว่าจิตจะไม่หวั่นไหว จากไม่เป่งว่าจะจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่อย่างมีเมตตาจิตไม่โกรธเธอควรประพฤติอย่างนี้โอ้โหมันยากไหมเนี่ยวิธีการนี้ยากไม่ยากเดี๋ยวจะบอกวิธีนะว่าทำยังไงหนึ่งก็คือว่าตั้งจิตไว้ไม่ให้แปรปวนไม่ให้หน่าเนิยวคิ้วขมวดไม่ให้ค้างสาันและจะไม่ให้เปล่งวาจาชั่วร้ายออกมาจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์ จะนอนุเคราะห์เขาได้ไหมตอนนั้นน่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เนี่ยอยู่อย่างมีอยอย่างผู้มีเมตตาจิตจะไม่โกรธนะเธอควรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เมื่อสักครู่บอกว่าคำว่าอาศัยเรือนคืออาศัยอะไรอาศัยอะไรอาศัยเรือนเนี่ยอาศัยกามาคุณรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภั อันน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจให้กำหนัดนี่ก็เป็เรือนฉันท่าอันอาศัยเรือนก็คือฉันท่ที่ประกอบกับตัณหานนี่แหละที่ผูกพันเนี่ยพะฉันท่าประกอบกับตัณหาที่เราไปผูกพันแต่ท่านพระคุณาเนี่ยโมยโมรยาพระคุณาไปผูกพันกับภิกษุณีที่ไปผูกพันกับภิกษุณีฉันท่ที่ประกอบกับปฏิฆะซึ่งไม่พอใจในการที่มีใครมาตําหนิ พิกสูนีของเรานี่เหมือนกันไหมมันเวลาประกอบด้วยตันหาปุ๊บเนี่ยเราก็จะพอใจเกิดความรักให้ท่านบุ้ใดขุดหนึ่งกันมาถ้าใครชมโอเคนะชมเราด้วยแต่ถ้าตําหนีแหมมันรู้สึกว่าขัดเคืองขึ้นมาทันทียอมเป็นไหมเวลามีใครตําหนีลูกเครียดไหมไม่เครียดเลยเด้อทำไมดีขนาดนั้นก่อนหน้าที่จะมาฝึกเมตตาก็เป็นแบบนี้มาหรื อ, อยังไง หรือเพิ่งมาเป็นตอนนี้ <c oughs> ยอมจริงๆโดยโดยข้อเท็จจริงยอมได้ไหมยอมความโกรธนี่เป็นปัญหากับชีวิตของโยมไม่ถามจริงเป็นไม่เป็นความเครียดความโกรธความหงุดหงิดความไม่สบายใจความไม่พอใจเป็นไม่เป็น <c oughs> เป็นปัญหาใช่ไม้ม ยังอยากใช้บริการมันอยู่ไหมมันเคยมีประโยชน์บ้างไหมถามจริง เ, เวลาถลึงตามองลูกแล้วทาให้ลูกยอมเราอะ่ะเขายอมไหมถ้าพูดเสียงดังๆรู้สึกเขาฟังเราอะเรายังเห็นประโยชน์มันอยู่ไหมถามจริงเห็นใช่ไหมมันรู้สึกมันยังได้ผลรู้สึกว่ามันมีอำนาจอยู่ในตัวนะใช่ไหม แสดงว่ามันยังมีส่วนดีอยู่ใช่ไหมใช่พ่อ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามพาขึ้นมาผิดเนยรู้เปล่าไหมโอ้นี่ยอมรู้ทันเนียไน้มน้าวไม่ยอมโกรธเลยเนี่ยไม่ธรรมดาเลย เ, ยเริ่มรู้ทันใช่ไหมเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีคนเผลอผาหลงมาสักคนจนได้ให้โทรศเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาใช้หรือบริการใช้บริการอยู่เพราะไปเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่เพราะโกรธแล้วทําให้ทุกคนรู้สึกเขายอมเราเขายอมรับเขานับถือนั่นแหละเพราะความไม่เข้าใจกระ บ, บวนการของกิเลสว่ามันมีโทษยังไงเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละวิตกอนาสัยเรือนก็คือความดำริที่ประกอบไปด้วยตัณหานี่แหละความดำริที่ประกอบไปด้วยพกามาวิตกเนี่ยตรึกไปในเรื่องกามพยาบาทวิตตกตรึกไปในเรื่องของความพยาบาท วิหิงสาวิตรกก็ตึกไปในเรื่องการคิดเบียดเบียนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครทําร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือถ้าใครมาทบตีภิกษุณีด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราต่อหน้าเธอเธอควรละฉันทะและวิตกอนาสัยเรือนนั้นเธอควรประพฤติอย่างนี้ว่าถ้ามีใครมาทบตีนะอันนี้เล่นเอาท่อนไม้มาทบ เอาฝ่ามือมาทบ ป, ประหารด้วยฝ่ามือก็คือเอาฝ่ามือมาตบมาตบเนี่ยยอมเวลาพระนั่งอยู่นี้ถ้ามีใครเดินเดินขึ้นมาเอาไม้มาทบพระเนี่ยจิตของยอมจะหวันหวหหว่นไหวไหมหวั่นไหวไหมไอ้อย่างนี้ก็เรียกอาศัยเรือเ น, น, เนเนี่ยตัณหาเป็นนี้หวั่นไหวเลยใช่ไหมเอา ภาษารีบุตรท่านเดินบินธบาตใช่ไหมก็มีอุบาสมีโยมคนหนึ่งอยากจะทดลองท่านก็เดินไปข้า ง, างหลังท่านก็ต่อยชกนะชกเต็มที่เลยตูมเข้าที่หลังท่านท่านเซไปเลยโอมเห็นเขาก็พากันวิ่งมาจะมาประทุษร้ายคนนี้ท่านก็หยุดหยุดยืนอยู่แล้วก็หันมาถามบอกว่าท่านจะทําอะไรบอกว่าจะทุบตีคนที่ประหารท่านเนี่ยภาษารีบุตรก็ถามว่า คนคนนี้ทบตีท่านลือเขาทบตีใครเขาทบพระไม่ใด้ทบยมอมแล้วทำไงวิธีการถ้าเห็นอยู่ในสาการงั้นควรทำอย่างไรตั้งจิตหรือไม่ตั้งจิตตั้งจิตไว้ไว่าอย่างไงเธอควรประพฤติอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผัน จิตของเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่น้าเนี้ยคิวว้วขโมดเราจะไม่ค้างสันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายจะไม่เปล่งวาจาด่าออกมาระ ด, ดับที่ 1, 2, 3, 4สมสสกัดได้ไหมทีนี้จักไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่โกรธ เธอควรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ในชีวิตจริงต้องทำให้ได้อย่างนี้นะกลับไปบ้านแล้วก็ลองไปจำลองภาพถ้ามีสามีมีภรรยามีลูกก็ลองทดลองได้ไหมให้คนอื่นทดลองบอกโอ้โ oh, หตอนนี้ฝึกมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวออกใบประกาศให้มาปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ให้ยอมน้ำเขียนใบ ป, ประกาศรับรองให้แล้วไปติดเชิญท่านทั้งหลายพิสูจน์ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาติดไว้หน้าบ้านกท่านทั้งหลายเชิญมาพิสูจน์ว่าไม่โกรธแล้วมีคนคนหนึ่งก็บอกว่าเดินเนี่ยฝึกๆึกฝึกไปจนรู้สึกว่าโอ้โหมันหายไปเลยมันคมได้นะคมได้ว่าเออ โทรศัพไม่เกิดทํำยังไงก็ไม่เกิดทำยังไงก็ไม่เกิ ด, ยงงกกดอยากทดลองตัวเองบ้างก็เลยเขียนติดหน้าห้องเชิญท่านทั้งหลายวันนี้เลยมามาปทัสสาวะยังไงก็ได้ว่ารับรองจะไม่โกรธที่เขียนนี้เพื่อนก็ใครไปด่ายังไงก็ไม่โกรธจริงๆด้วยเขาบอกโอ้ oh, สุดยอดเลยเพื่อนก็เลยไปหาบอกโหไปไปนั่งคุยด้วยเอาถามว่า ไปคุยเรื่องอื่นเนี่ยพอคุยสักพักหนึ่งก็เอ๊ะเขียนอะไรไว้หน้าห้องอ๋ อ, อทายคนมาพิสูจน์ท้ายคนมาดา่าก็คุยไปได้สักพักหนึ่งคุยคุยคุยได้สักพักก็ถามเอ๊ะเขียนอะไรไว้อ๋อท้ายคนมาดา่าพอถามคำถามที่สามหลุดเลยเดินนี่ฮะพูดไม่รู้เรื่องหมอพูดไม่รู้เรื่องหลุดเลยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย หลุดกลัวพวกเราจะเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าตั้งหลักจริงๆมันก็ไม่มาใช่ไหมมันก็การตั้งใจใดเผอนี่พวกแย่ทีเผอหลุดเลยตวนนี้เหมือนอดีตหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านก็ น, นั่งสมัยนั้นนั่งรถไฟมีผู้ปฏิบัติที่เป็นโยมผู้หญิงเนี่ย นุ่งขาวพมขาวขึ้นไปไม่รู้จักท่านไงออพอนั่งรถไปสักพูกับท่านเจ้าค้าเนี่ยท่านอยู่วัดไหนออยู่แถวเนี้ยแถวยุธยาเนี่ยท่านเคยปฏิบัติบ้างหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> บอกอ๋อก็นิดนิดหน่อยๆน่อย่อมมีอะไรหรอกโอ้โหไม่ได้นะเจ้าค้าต้องประพฤติปฏิบัติ <c oughs> มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างอะไเนี้ยยมเนี่ยปฏิบัติมาบวชเอยยมเข้ามาถือศีลนุ่งขาวหวมขาวมาไม่นานยมไม่มีความโกรธเลยนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อปานดา่าใช้คือหลุดใช้คำพูดดา่ดาด่าแบบหยาบๆยบนิดนึงใช้คำว่าโกหกโอ้โหเดีนน๋ยวนี้เป็นฟืนเลยเดี๋ยวนี้เป็นฟืนไม่พอไฟลุกด้วย ท่านก็เลยย้อนถามเอาเมื่อกี้ยอมบอกว่าไม่โกรธเงี้ยเงียบเลยเดีนีเนี่ยอย่างเงี้นย น, นะนั้นพวกเราจะมาเจริญเมตตาแล้วเนี่ยออกมาเป็นห่วงแล้วมาประกาศว่าอยู่คอร์สเมตตาแล้วทําไงนยอมน้ําจะว่าไงเนี่ยออกไปยังหน้าเนิ้ยคิว้วขมวดอยู่ต้องระวังนะเนี่ยแล้วมีชื่อหมดทุกคนด้วยแล้วจะทํำยังไงออกมาเป็นห่วงอยู่เนี่ยว่าไงยอม ยมเพลินว่าเเอาละสิเนี่ยเขาบอกว่าฝึกเมตตาแล้วห้าวันกลับบ้านก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาถามว่าไปปฏิบัติอะไรบอกไปเจริญเมตตามาเขาก็จะคอยจ้องดูหมดเลยทีนี้ไม่น่าประกาศดังๆเลยเนี่ยแล้วท่านไนก์ก็เด็ น, ปนรปาลออก ไลฟ์บอกให้คนฟังสดเลยนะเนี่ยมาจะบอกบอกว่าอาตมาบอกแล้วเขาไม่ฟังบอกเขาไม่ฟังเขากระด้างกระเดื่องสรุปแล้วตัวใครตัวใครนะโ ย, ยนนะรักษาตัวให้ดี เขามีเขามีชื่อหมดทุกคนแล้วงั้นเวลาอาจะมามาเจอพวกเราอีกมาสบายใจเรานี่ผ่านคอร์สการอบรมเรื่องเมตตาแล้วปฏิบัติเมตตาเข้าสิงหรือยังตอนเนี้ยเข้าสิงหรือยังเข้าสิงแล้วนะอัญเชิญเมตตาให้เข้ามาสิงอยู่ตลอดเวลาอย่าไล่ออกเข้าสิงหรือยัง โทสะเนี่ยจะไล่เมตตาออกใช่ไหอยากให้โทสะมันเข้าดังนั้นมันจะไล่เมตตาออกเราต้องบอกอุตสาอัญเชิญให้เมตตาเข้ามาสิงสู่ในกระแสชีวิตพอมาอยู่แล้วจะต้องรักษาไว้ยังให้เมตตาหลุดจากกระแสชีวิตโดยเฉพาะเมตตาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะใช่ไมเป็นค่าเป็นค่าศึกไกล และตัณหาก็เป็นค่าสึกใกล้ด้วยเผื่อปุ๊บจากเมตตากลายเป็นราคามันง่ายมากเลยต้องระวังมันใกล้ๆกันนะ้ามันเกิดยึดติดนะยึดติดเกิดความติดใจฝ่ายกสันขึ้นมาไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เมตตาแล้วเป็นตัณหาอย่างี้นะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนดินท่อนไม้หรือด้วยสตราวุฒเนี่ยต่อหน้าเธอเธอก็ควรละฉันท่าและวิตกอนาสัยเรือนข้อ น, นั้นเธอต้องประพฤติอย่างนี้บอกว่าจิตของเราจากไม่แปรผันไม่น่านิ่วคิ้วขมวดไม่ค้างสาันไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบออกมาจากอนุเคขห์ด้วยประโยชน์อยู่อย่างเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่โกรธเธอควรประพฤติอย่างนี้หรือถ้าหากว่าตําหนีภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอ เธอก็ควรละฉันทาละวิตกอนาศัยเรือนคือราคะรูปเสียงกิรลนั้นเธอควรประพฤติอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเป็นต้นจากไม่เปร่งวาจาชั่วหยาบจากอนุขอด้วยประโยชน์อยู่อย่างเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่โกรธเธอควรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ภคุณะเพราะฉะนั้นถ้าใครๆอันนี้ถ้าใครๆมาทําร้ายเธอนะ หรือบอกนี่ยพุทธเจ้าบอกพวกเราเนี่ยภิกษุภิกษุนวาศกและาสิกานี่แหละถ้าใครทำร้ายเธอด้วยฝ่ามืองั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าใครเอาฝ่ามือมาตบหนักไหมเนี่ยถ้าใครที่เอาฝ่ามือมาทำร้ายหรือไม่ใช่ฝ่ามือแล้วหยิบก้อนดินมาคว้างหรือท่อนไม้มาทบหรือเซตตาอาวุธ มีมีดมีหอกมีหลาวมาแทงมาทิ่มมาตัดเธอควรละฉันทะและวิตกอนาสัยเรือนในข้อนั้นเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าให้สำเนียกไว้นะให้คิดปรุงแต่งมนสิการไว้ให้ปรุงแต่งว่าจิตของเราจะไม่แปรผันจิตจะตั้งมั่นไม่วานไหวจะไม่ให้หน้านิ้วคิ้วขมวดจะไม่ค้างสันจะไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายเป็นต้น แล้วก็บอกว่าจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่อย่างเป็นผู้มีเมตตาจิตรักษาเมตตาจิตไว้ประคองเมตตาจิตไว้ทนุถหนอมเมตตาจิตไว้ไม่ให้เมตตาจิตหลุดออกจากใจจะมีความไม่โกรธก็คือมีความอดทนอดกั้นเขาไว้นะด้วยจิตที่หนักแน่นเธอควรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหม ยากไม่ยากเดี๋ยวบอกวิธีต่อสมัยหนึ่งเนี่ยภิกษุจำนวนมากทำให้เรามีจิตยินดีเรากล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าคือคือเนี่ยในในพศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องการฉันอาหารการเดียวสมัยก่อนจริงๆก่อนหน้าที่จะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยภิกษุฉันอาหารทุกเวลา ฉันอาหารหลังเที่ยงไปแล้วกลางคืนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไปบินบัดาบกลางคืนเลยกันมั่วหมดเออไม่ใช่มั่วนีก็คือเป็นปกติเพราะไม่ได้มีการบัญญัติสิกขาบทในเรื่องการฉันอาหารมื้อเดียวคําว่ามื้อเดียวนับการเดียวในยมนีการเดียวก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยจะฉันสิบครั้งยี่สครั้งร้อยครั้งเขาเรียกว่าการเดียวมื้อเดียวแต่ถ้าหากว่าถือธุดงเนี่ยเขาไม่เรียกว่ามื้อเดียวเขาเรียกฉันน้อาสนะเดียว โลกจากอาสนะนั้นแล้วจะไม่ฉันจะไม่หยิบของที่เคี้ยวทั้งหลายใส่ปากอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไม่เรียกว่าฉันมือเดียวก็เรียกฉันอาสนะเดียวถ้าอย่างเนี้ยอย่างอ่างท้องเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกฉันมือเดียวเขาเรียกการเดียวก็ยังนี้นี่แหละพระเจ้าก็ฉันการเดียวมือเดียวเธอฉันอาหารมือเดียวอยู่รู้บอกว่าอยู่จักรู้สึกว่าไม่มีอาพาธไร้ทุกข์เบากายแล้วก็มีกําลังอยู่อย่างสบายเราไม่ เราไม่ต้องสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่เตือนสติเท่านั้นก็หมายความว่าเ อ, อพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากบรรจักษ์ศกขษะบวตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเนี่ยภิกษุก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นงั้นพวกเราถ้าเราใช้การฉันการเดียวเนี่ยของพระเอาไปทำจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อสุขภาพด้วยเนยีตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไม่เอาของเคี้ยวทั้งหลายเข้าสู่กระแสชีวิตเย่างนี้ทาได้ไหม จะทำให้เบาทำให้สบายทำให้ไม่มีอาพาธโรคภัยใค่เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านอุปมาเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในที่ฝึกมาอย่างดีแล้วก็แล่นไปตามทางใหญ่สี่แผงบนพื้นราบเรียบไม่ต้องใช้แท้เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดมา้าที่ฉลาดนั้นน่ขึ้นรถแล้วก็ใช้มือซ้ายจับสายบังเหียนแล้วก็ใช้มือขวาจับแท้ เตือนม้าให้วิ่งตรงไปหรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการตามปรารถนาชั้นใดเราก็ฉันนั้นไม่ต้องสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอีกเพียงแต่เตือนด้วยสติเท่านั้นนี่บอกบอกว่าพระในยุคนั้นเนี่ยบอกครั้งเดียวรู้เรื่องอธิบายอะไรต่างๆก็ง่ายน้อมที่จะพึพงพิฏิบัติตามเพราะฉะ น, นั้นเธอจงละอากุศลทาความเพียรในกุศลเธอก็จะเป็นผู้จเจริญ ง, งอกงามไพบูรในพระธรรมวินัยนี้ แล้วท่านก็พูดถึงในเรื่องของป่าสาระอันกว้างใหญ่ใกล้หมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้นิคมรกไปด้วยต้นละหงบุรุษผู้หวังดีเนี่ยหวังประโยชน์และก็หวังความเจริญเติบโตของต้นสาระนั้นก็ตัดหน่อต้นสาระคดแล้วก็ค่อยๆที่มันคอยแย่งอาหารออกแล้วก็ทิ้งออกไปภายนอกแล้วก็แผ้วถางในป่านั้นให้สะอาดเรียบร้อย ควรบำรุงรักษาต้นสาระเล็กๆที่ตั้งตรงแข็งแรงไว้อย่างดีเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยต่อมาป่าไม้สาระนั้นก็เจริญงอกงามไพบูรณ์แม้ชั้นใดเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นจงละอกุศลให้ร่ากายยโสเจริญวิจีทุเจริญเมโนชุจริญละบาปกุศลและรมอันชั่วร้ายและเพียรพยายามในการเจริญกุศลก็คือละบาปเก่าละบาปใหม่บาปเก่าทุจริตเก่าอากุศ ล, ลกรรมเก่าทั้งหลายเหล่านี้วิธีละไรยังไง ตั้งสมาทานบาปเก่าทุจริท์เก่าอักุศาสตกรรมเก่าที่เคยเกิดแล้วแก่เรามีไหมกายทุติยริทวจีทุจริตมโนทุจริที่เคยทํามาแล้วสมาทานนับตั้งแต่ขณะนี้เลยว่าจกไม่ให้บาปเก่าทุจริตเก่าอันนั้นน่ะกลับมาสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์กล้าไหมถ้าไม่กล้าก็แปลว่าละไม่ได้ ถ้าใครกล้าถึงละได้กล้าสมาทานตั้งใจบ่อยๆบ่อยๆๆซ้ําแล้วซ้ําอีกทําได้หรือไม่ได้ความกโกรธนะ่ยที่เคยกโกรธมาแล้วทุจริตที่เคยทํามาแล้วอกุศลที่เคยทํามาแล้วตัดขาดกันจะไม่ให้กลับเข้าสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์การตั้งใจแบบนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้เขาเรียกปฏิบททัติธรรมแต่บางคนพอพูดอย่างนี้กล้าหรือไม่กล้ากล้าไหม บางคนไม่กล้าทีนี้บาปใหม่ทุจริตใหม่ศัลยกรรมใหม่มีไหมที่เรายังไม่เคยทำแต่เราได้ยินเราได้เห็นเราเคยรับรู้มามาทุค่าดเคยได้ยินคนฆ่าแม่ไหมฆ่าพ่อฆ่าพระทหารทำรายพระเจ้าทำสังฆเภทหรือว่าทุจริตทั้งหลายวางบอมระเบิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยบาปเหล่านี้เราได้ยินข่าวบ่อยๆนะ ทุจริตใหม่อกุ ศ, าศาลกรรมใหม่ก็ตั้งสมาทานว่าจะมาให้บาปใหม่ทุจริตใหม่กลับเข้าสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์การมานสิกการการคิดการเพียรพยายามอย่างนี้เขาเรียกเพียรละบาปเก่าบาปใหม่ตั้งใจอยังตั้งตามหรื อ, อยังฟังปุ๊บตั้งตามเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ตั้งตามแปลว่าไม่ไม่น้อมใจที่จะละตั้งหรื อ, อยังอยอมตั้งหรื อ, อยังตั้งจริงจรยั่งยังหรือตั้งเล่น นี่ปล่อยผ้าตั้งอยู่คนเดียวองค์เดียวไม่ยอมตั้งตามตั้งแล้วนะโอเคยังทีนี้อเพียรในการเจริญกุศลเพียรเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยเพียรเจริญกุศลทีนี้เวลาเพียรเจริญกุศลเนี่ยเวลากุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรในการที่เจริญบุกฝาไม่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ยกตัวอย่างเช่นเราแผ่เมตตาให้กับตนเองได้อย่างเงี้ยตอนเนี้นะแต่คนอื่นยังไม่ไปต้องเพียรต่อไหม มันสำเร็จผลแค่ให้เมตตาแก่ตัวเองสำเร็จผลแค่เมตตาแก่พ่อแม่สำเร็จผลเมตตาแค่ลูกหลานปู่ตายายแต่กระเถิบออกจากคนนั้นมันไปไม่ได้เนี่ยต้องเพียนต่อบกฟ้าต่อแสดงว่าเมตตาของเรานั้นกินพื้นที่น้อยอยู่ก็พยายามพัฒนาให้เมตตาั้องกินพื้นที่กว้างขึ้นได้เหตุปัจจัยมากขึ้นก็กระตุ้นฝึกเพียรพยายามในการที่จะเจริญกุศล แล้วก็พัฒนากุศลให้เจริญไพบูรพินโยภาพยิ่งๆขึ้นไปจนสามารถในสาขาจักรวาลเนี่ยแผ่เมตตาไปได้หมดเลยตอนนี้ไปได้ถึงไหนแล้วได้กี่คนแล้วขนาดตนเองยังหงุดหงิด ต, ตัวเองอยู่เลยเมื่อวานนี้ก็นี่เคยไหมเคยหงุดหงิด ต, ตัวเองไหมคือทําอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจแล้วโกรธตัวเองเคยเป็นไหมยอมบ่อยไหมบ่อยเลยโอ้ โ, อโหขนาดไม่น่าอยู่ใกล้เลย ขนาดตัวเองยังกล้าโกรธแล้วคนอื่นจะเหลือหรือเนี่ย <laughs> โอยยอมเป็นคนกล้าโกรธตัวเองเนา ะ, ะจริงจริงเลยเคยโกรธตัวเองเลยเลยขนาดนั้นเลยเลยอันนี้พูดจริงไหมเนี่ยเคยโกรธตัวเองเลยเคยทุบตีตัวเองไหมกัดตัวเองเลยเคยไหมถ้าใคร ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นในกระแสชีวิตตัวเองปล่อยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิษยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอกุศลทั้งหลายให้ไหลอยู่ตันหามันนะทิถีเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับคนคนนี้กัดตัวเองยิกตัวเองปัททศรลายตัวเองมันไม่ต่างกันเลยเห็นภาพตัวเองว่ากำลังกัดตัวเองยิกตัวเองชกตัวเองต่อยตัวเองอยู่ไม่ต่างกันเลยนะจริงไห จริงไม่จริงเห็นนี่ยังมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงฉะนั้นเวลาเห็นใครกําลังกโกรธเราก็ให้มองอย่างนั้นโอ้โหเขากําลังอัดตัวเองเต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยเราควรกโกรธตอบหรือควรกรุณาเขาไม่ใช่ว่าเห็นเขากโรกรธกําลังต่อยตัวเองชกตัวเองยีกตัวเองแล้วก็เลยยิกตัวเองตามโอ้ยเคยเป็นไหมล่ะเช่นเขากําลังกโกรธแล้วดา่ดาดา่าดใครไปทั่วนี่นะเพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลย ก็ทำตามบ้างคนที่โกรธก่อนกับคนที่โกรธหลังใครน่าเกลียดกว่ากันคนที่กดโกรธก่อนโกรธหลังใครเรยวกว่ากันเพราะอะไรเพราะอะไรเวลาเห็นใครสักคนหนึ่งไปตักถังอุจจาระเออไปตักไอตักอุจจาระเทลาดตัวเองเราลังเกียจไหมเราทำไงถ้าเราเห็นอย่างนั้น ก็ไปตากทั้งอุจจาระมาล่าตัวเองต่อเหมือนไม่ต่างกันนะเราเห็นคนอื่นโกรธแล้วเราโกรธตามก็เหมือนอาอุจจาระสาดใส่ตัวเองเพราะเราเห็นเขากําลังสาดอุจจาระใสา่ตัวเองอยู่เราก็ยังไปทําตามเขาอีกฉะนั้นคนเขาจึงบอกว่าคนโกรธหลังเลวกว่าก็คือโง่นั่นเองโง่กว่าเข้าใจไหมตั้งตั้งหลักไว้แต่นี่ต่อไปจะไม่โกรธพอเห็นคนโกรธปุ๊บตั้งหลักอุ้ยไม่เอาดีกว่าหุยหน้าขยะขยง เราจะไม่กัดตัวเองจะไม่ทุบตีตัวเองจะไม่หยิกตัวเองใช่ไหมเห็นคนกําลังกัดลุกขึ้นมาดิน้นพวดพลาดกัดตัวเองอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเคยกัดตัวเองมาบ้างอยังไม่เคยโกรธเต่อาการโกรธอะไร้เ็ เ, เรียกกัดตัวเองห <c oughs> ยิกตัวเอง <c oughs> เอาต่อเดี๋ยวจะไม่จะจบยังเนี่ยเวลาเหลือเวลาเท่าไหร่ <c oughs> อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาจะเร่งให้เร็วนิดนึง เดี๋ยวเล่าเรื่องนางเวเทหิกาเรื่องเคยมีมาแล้วเนะี่ยเรื่องเคยมีมาแล้วในกรงสาวถีมีแม่หญิงแม่เรือนคนหนึ่งชื่อว่าเวเทหิกาอันนี้เป็นเจ้านายเนะี่สมมติเป็นชื่อยมดีไ้มเวเทหิกาเนี่ยมีกิติศักดิ์อันงามกระจอนไปว่าแม่เรือนแม่หญิงคนนี้เป็นคนเรียบร้อย พฤติกรรมทางกายทางวาจาทางยีเรียบร้อยเป็นคนแล้วก็เจียมตนเป็นคนเจียมตนเจียมตนนี่เขา้าใจใช่ไหมใจเย็นด้วยใจเย็นแปลว่าเป็นคนมีเมตตาหรือไม่มีเมตตามีเมตตาแล้วก็เธอมีสาวใช้ชื่อว่ากาลีกาลีเนเป็นคนขยันไม่เกียจค้านจัดการงานดีสรุปก็คือว่า เ, เจ้านายแม่หญิงคนเนี้ย ชื่อนางเวเทิกาเป็นคนสงบส ง, งีม่มเจียมตนเป็นคนใจเย็นเป็นคนกริยามันญาต่งดงามพูดจาเพ้อมากพูดจาหวานเพ้อไพเรา ะ, ราะยอมเป็นคนพูดเพ้อไหมในยามที่โทกศากเกิดขึ้นมาพูดเพ้อไหมเ <c oughs> นี่ยต่อมาเนี่ยสาวใช้อีกนางกาลีเนี่ยกาลีเนี่ยสาวใช้ก็คิดว่า เกียรติศักด์อันงามของนายหญิงเนี่ยของเราเนี่ยจรไปบอกว่าแม่เรือนเวเทหิการเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเราเนี่ยไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏหน้าภายในหรือว่าหล่อนยังมีความโกรธอยู่อยากจะรู้ เพราะไม่เคยเห็นแสดงพฤติกรรมออกมาถลึงตามองโกโรธเปล่งวาจาชั่วร้ายน่านิวคิ้วขมวดไม่เคยแสดงออกมาเลยคนใช้ก็สงสยัยว่าสงสัยนางเนี่ยดีจริงๆเรียบร้อยจริงๆสงบส ง, งี่กมจริงๆริงเกียมตินจริงๆเป็นคนใจเย็นจริงๆเนี่ยหรือว่าเป็นคนไม่มีความโกโรธจริงๆหรือว่าที่เธอดีอย่างนี้เพราะเป็นการเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนที่จัดการงานดีประพืติเรียบร้อย คือทำอะไรถูกอกถูกใจทุกอย่างหรือเปล่าอยากกันนั้นเลยเราอยากจะทดลองใช่ไหมทางที่ดีเราควรต้องทดสอบนายหญิงดูดีกว่าเนี่ยแปลว่าคนใช้ฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดไหมใครมีคนใช้ไหมมีไหมเอาสูตรนี้ไปเล่าให้เธอฟังหนึ่งเธอจะได้ทดสอบเราวันรุ่งขึ้นเนี่ยกาลีสาวใช้เนี่ยก็เลยตื่นสาย บกตีตื่นแต่เช้าใช่ไหมวันนั้นตื่นสายแล้วไม่ตื่นตีสี่ตีละครั้งก็ไม่ลุก <c oughs> นี่ยเมานอกเรื่องนิดตื่นสายฝ่ายแม่เรือนเวเทหิกาเนี่ยก็เกิดความขุ่นใจขึ้นมาก็ตวาดเฮ้ยเรียบร้อยไหมคําว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยกาลีกาลีสาวใช้ก็บอกว่า อะไรเจ้าค่านายหญิงบอกว่าทำไมเธอจึงตื่นสายกาลีสาวใช้ก็บอกว่าไม่มีอะไรเจ้าข่ากาลีสาวใช้ก็ตอบว่ามีอะไรแม่เรือนเวทีกาก็บอกว่านางชาติชั่วทำไมจึงตื่นสายแล้วก็โกรธไม่พอใจทำหน้านิ้วคิ้วขมวดโกรธ หน้านี้วคิ้วขมวดคางสันแล้วก็ปากก่า ว, วาจานางชาติเป่งวาจาแบบนัลำดับนั้นนะ่ะกาลีสาวใช้ก็คิดว่าโอ้โหเราไม่นายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ภายในเท่านั้นไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธนะที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ภายในก็เพราะเราจัดการงานเรียบร้อยนี่เองไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธก็อยากจะทดสอบว่า ความโกรธของเจ้านายเนี่ยเธอสกัดได้เพียงระดับนี้ใช่ไหมระดับพีพ่พูดพูดเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยแค่นี้แล้วก็พูดวาจาชั่วออกมาไม่แรงเนี่ยมันจะมีปริมาณแรงกว่า น, นี้อีกไหมยอยากจะดูโทสะหรืออยากจะดูกิเลสของนายหญิงหรือนายหญิงของเรารสกัดได้แค่นี้หรือเปล่าหรือหรือเป็นคนขาดสติขาดการยับยั้งอยากกันนั้นเลยเนี่ยเราจะทดสอบอีกครั้งหนึง่ง ก็เลยตื่นสายกว่าเดิมอีกทีนี้พอตื่นสายกว่าเดิมเนี่ยนางเวทีกาก็บอกว่าเฮ้ยการีนี่ดังกว่าเก่านีเสียงเนี่ยดังกว่าเก่านางก็บอกไม่บอกทําไมจึงตื่นสายบอกไม่มีอะไรเจ้าข้าเป็นต้นหรอเนี่ยแล้วนางก็พูดว่านางชาติชั่วทําไมถึงตื่นสาย แล้วก็โกรธไม่พอใจร้องตะหวาดด้วยความขุนเคืองเลยตัวเนี้ยด่าออกมาโอ้โหเป็นชุดเลยด่าป๊อป๊อ ป, ป, ปด่าเห็นหรือยังแต่เนี้ยไม่ใช่คือด่าแบบปกติด่าแค่ไม่กี่คำไ้ยอันนี้โอ้โหออกมาแบบเป็นชุดเลยยอมเกิดมาในชีวิตเคยด่าใครนานๆไหมเคยด่าใครถึงสองนาทีไหมห้า ชั่วโมงเีมีไหมใครทํำสถิตีได้ดา่าชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเคยไหมไม่เคยเลยเลยตั้งแต่มาเกิดมาเป็นคนไม่เคยดา่าใครถึงชั่วโมงเลยเลยเคยโกรธใครถึงชั่วโมงไหมเป็นวันเป็นสั ป, ปดาห์เป็นเดือนเคยไหมสรุปแล้วมาจะจํำนี้ไว้ว่ายอมเป็นคนดีกันหมดไม่มีใครไม่ไม่โกรธทีนี้ เนี่ยลำดับนั้นนะ่ะกาลีสาวใช้ก็คิดว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ภายในเท่านั้นไม่ใช่ไม่แสดงที่ไม่แสดงความโกรธก็เพราะว่าการจัดการงานดีของเรานี่เองไม่ใช่หล่อนไม่โกรธทั้งที่ดีนะอยากจะทดสอบว่าเธอเนี่ยปริมาณความโกรธของเธอในสุดหรือยังและความเป็นคนดีของเธอความเป็นคนสงบสงีสงง่หมความเกียรต์ตนความใจเย็นของเธอที่เธอแค่นี้คือยับยั้งจริงไหมเอาแล้วจะทดสอบเป็นครั้งสุดท้าย ครั้งที่สามเลยตื่นสายกว่าเดิมเลยแตนเนี้ยโอ้โหแตเนี้ยน่ากลัวนะจะเจอคนใช้แบบเนี้ยไม่แล้วกลัวจังนะพวกที่พวกเรามาประกาศยืนยันปฏิบัติแล้วเกิดมีใครทดสอบอย่างนี้มาสมมุตินะแ่สมมติวันนี้ไม่มีอาหารกินเลยจะโกรธไหมถามจริงไม่โกรธเลยเลยเพราะอะไรยังมีน้ำอยู่ใช่ไหม เอาน้ำก็ก็ไม่ให้กินอีกสมมติเงี้ยยังจะโกรธไหมนอกจากน้ำแล้วปิดแอร์ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยฉันเชื่อเลยอ่ะจะไม่มีใครมายังจะกลับกันหมดเลยเนี่ยใช่ไหมแสดจริงๆถามว่าความโกรธยังมีอยู่กับพวกเราไหมที่ไม่แสดงออกมาเพราะเขาต้อนรับเราดีใช่ไหมเพราะพระพูดเพราะใช่ไหม โอ้ยฉันจะได้จำไว้ว่าอ๋เป็นแบบนี้ <laughs> <laughs> เพราะเพราะเพรเหตุปัจจัยมันเอื้อต่อการที่เราจะไม่โกรดนี่เองถ้ามีเหตุปัจจัยมากระทุ้งอะไรพร้อมที่จะโกรธใช่ไหมเนี่ยพร้อมไหมอะดูบทบาทของนางเวทีกาต่อไปว่าเธอจะใช้ครั้งที่สามเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะหยุดได้หรือว่าจะโทรศทัทจะวิ่งโลดแล่นมากกว่าเดิม ทีนี้ต่อมาเนี่ยเธอตื่นสายก็ตอนนี้ร้องเคยเลยว่ากาลีว่ากาลีสาวใช้ก็รับว่าอะไรเจ้าค่ะนายหญิงทําไมถึงตื่นสายไม่มีอะไรจะทำนางแม่เรือนเวทีกวาวลนางชาติชั่วทําไมถึงตื่นสายนักเล่าแล้วก็โกรธด่าด่ ด, ด, ดโกรธก็มองมองไปเสร็จปุ๊บวิ่งไปคว้าลิ่มประตู แล้วก็เงื้อขว้างโตมก็ให้ปิดไม่ทันศีรษะแตกเลือดไหลอาบเลือดไหลแล้วเดี๋ยวนี้นี่ลองไปทดสอบกับแม่หน่อยได้ไหมลองทดสอบโทษะทําำแบบนี้สักสามครั้งเป็นนางนางกาลีทำกับใครก็ได้ ที่ผู้ประกพืชปฏิบัติธรรมลองไปทดสอบดูเราจะได้เห็นว่าเธอจะควบคุมโทสะได้ขนาดไหนแต่นางกาลีนี่หลุดเลยหลุดเฟรมเลยเรียบร้อยทีนี้กาลีสาวใช้ศรีรษะแตกมีเลือดไหลาอาบก็เที่ยวประกาศไปเลยเนี่ยประกาศทั่วกรุงรายจักรือเลยประกาศบอกว่าท่านทั้งหลายเชิญดูการกระทำของคนเรียบร้อย ท่านทั้งหลายจงเชิญดูการกระทําของคนเจียมตนท่านทั้งหลายจงเชิญดูการกระทําของคนใจเย็นเธอดวงนั้นเดิมนางโกรธไม่พอใจที่ตื่นสายที่ตื่นสายเนี่ยกับการที่ถูกลงโทษขนาดนี้มันไม่สมดุลไม่บาลานซ์กันเลยเนียเนี่ยประกาศให้คนเห็นเห็นโทสะของนางนะครั้งนั้นน่ยคนเห็นอย่างว่านางนี่หัวแตกตั้งแต่นั้นมากิติศัพท์ความชั่วของนาง เวเทหิกาเนี่ยก็แพ้ขยายโอ้จริงๆไม่ใช่แล้วนางนี้เป็นคนดุร้ายเป็นคนไม่เจียมตนเป็นคนใจร้อนพระพเจ้าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศบอกภิกษุภิกษูบาศกบาศิกาของทุกพระองค์ว่านี่ยังไงบอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าภิกษุทั้งหลายนางเวเทหิกาเนี่ย เป็นคนดุร้ายไม่เกียมตนใจร้อนชั้นใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้อุบาสกบาสิกาบางท่านในพระธรรมวินัยเนี้ยดูเหมือนเรียบร้อยนักหนาเกียมตนนักหนาใจเย็นนักหนาว่างั้นเถอะก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคําอันไม่เป็นที่พอใจไม่มากระทบเท่านั้นเองแต่เมื่อถ้อยคําอันไม่เป็นที่ไม่พอใจมากระทบจึงรู้ได้ว่าเธอเนี่ยเรียบร้อยจริงหรือไม่เรียบร้อยจริงใจเย็นจริงหรือไม่ใจเย็นจริง สรุปแล้วก็คือว่าถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมีภิกษุเป็นต้นนะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนใจเดียนเป็นคนเกียมตนินเป็นคนไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวเนี่ยต้องให้เจอสถานการณ์ให้เจอบททดสอบเมื่อเจอบททดสอบแล้วผ่านได้โดยจิตไม่หวั่นไหวจริงๆไม่หน้านี้ยคิ้วขมวดไม่ค้างสันไม่ปานไม่เป็นวาจาชั่วร้ายหรือไม่หันไปถือไม้ถือมีดถือกระบองไปทุบไปตีไปด่าไปว่าใคร ถ้าในกรณีอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนสงบเสงีง่ยมจริงเรียบร้อยจริงเจียมตนจริงเดินเมตตาได้จริงพวกเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุที่ทำตนว่าง่ายถึงภาวะของความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะมีจีวรบินทบาทเสนาสะนะอัถาบริขารยาที่เกื้อกูลคนป่วด เราไม่เรียกผู้ว่าง่ายซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อเธอไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ไม่ว่าง่ายแต่เป็นแต่ภิกษุผู้มีสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมจึงเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยไม่เรียกเป็นผู้ว่าง่าย แปลว่าที่เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนก็เพราะได้อาหารที่ดีได้ที่นุ่งเครื่องนุ่งห่มที่ดีได้ที่อยู่อาศัยที่ดีได้ยาที่ดีได้เสียงที่ดีทั้งหลายจึงดูเหมือนสงบเสงี่ยมภาวะในลักษณะนี้ยังไม่เรียกก่อนแต่ถ้าได้ภาวะที่ตรงกันข้ามได้ที่อยู่ก็ไม่ดีได้อาหารก็ไม่ดีได้เครื่องนุ่งห่มก็ไม่ดีได้ยาก็ไม่ดีได้เสียงคําพูดทั้งหลายก็ไม่ดีก็ยังสงบเสงี่ยมเจียมตนใจเย็นไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหว ถ้าอย่างนี้จริงจะเรียกว่าเป็นคนมีเมตตาจริงเข้าถึงความสงบส ง, ง่ยมจิ้มจริงเจีย ม, มตนได้จริงพอมองเห็นไหมทีนี้อุบายในการที่จะละความโกรธห้าประการเวลาคนอื่นจะพูดกับเราเนี่ยก็จะมีอยู่5ประการนะหนึ่งพูดถูกการและพูดพูดสมควรถูกการหรือไม่ถูกการใช่พูดคำพูดที่สมควรหรือไม่สมควรน่ประการที่หนึ่ง ประการที่2พูดเรื่องจริงหรือเรื่องเ ท, ท็จจริงหรือไม่จริงประการที่สก็คือพูดอ่อนหวานและพูดหยาบคายอ่อนหวานหรือหยาบก็ได้สี่ก็คือพูดมีเหตุผลหรือพูดไม่มีเหตุผล5ก็คือพูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยเมตตามันจะมีอยู่5อย่างแค่นี้แหละจริงไม่จริงเวลาคนพูดกับเราเนี่ยพูดถูกการ ถูกสมควรหรือไม่สมควรถูกการหรือไม่ถูกการเนี่ยเรากดเขาไหมถ้าคนที่พูดเหมาะแก่การเวลาเวลานี้เ่ช่นเวลานี้เขาพูดได้ถูกจังหวะจากคนแต่เขาเป็นคนอีกคนนึงพูดไม่ถูกจังหวะจากคนเรากดใครคนพูดผิดการเรากดไหมเช่นเวลาที่จะกินอาหารก็ไปพูดเรื่องอุจจาระปัสสาวะโกรธไม่โกรธโกรธไหม เนไหมเนี่ยก็พูดผิดการหนึ่งพูดผิดการและถูกการสองพูดจริงกับพูดเท็จเราคนพูดจริงกับเราเรากดหรือไม่กดกดไหมพูดเท็จเรากดหรือไม่กดถ้าใครมาบอกว่ายอมทําไมหน้าตาขี้เหร่จังสมมติเขาพูดจริงอสมมติจริงกดไหมกดไหมกดไม่กด เ็นไหมก็โกรธนะจริงๆคำจริงบางอย่างเราเราเราชอบให้เขาพูดเท็จนะจริงไหมล่ะเวลาไม่เจอหน้ากันตั้งนานโอ้โหสวยขึ้นเป็นกองชอบไหมคำนี้ยเป็นกองแบบไหนก็ไม่รู้เ้าบอกโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานทำไมแก่ขนาดนี้โอ้โหอ๊ะทำไมเดินอย่างนี้ใกล้ตายวะโกดไหมเอาคำนี้โกดใไหมโกดเห็นไม พูดจริงกับพูดเท็จเนี่ยบางทีไอ้จริงเราก็โกรธนะเท็จเราก็โกรธนะถ้าตั้ง จ, จิตไว้ไม่ดีหรือไม่ฉลาดในการฟังเนี่ยจริงไม่จริงคล้อยตามพระไหมเนี่ยคล้อยตามพระเจ้าไหมเป็นอย่าง น, นีพูดจริงหรือพูดเท็จก็โกรธได้คนที่จะโกรธเนี่ยยอมไาจริงไหมเนี่ยอมไม่ฟังไม่รู้เรื่องโกรธไหมสมมติโกรธพระเขาพูดจนขนาดนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย จะรู้เรื่องบอกยอมพักพูดรู้เรื่องไหมรู้ไหมรู้โอเคใช้ได้พูดอ่อนหวานและพูดหยาบคายอยอมชอบคำอ่อนหวานหรือหยาบคายอถ้าเขาพูดเรากับเราอ่อนหวานจริงแต่เขาเข า, เขาไปพูดอ่อนหวานกับคนที่เราเกลียด เราชอบใจไหมไอ้คนนี้เราเกลียดมากแต่เจ้านี้ก็พูดอ่อนหวานให้เราได้ยิน <c oughs> โกรธไหมเห็อนไหมจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบอ่อนหวานเราแต่เราจํากัดว่าถ้าอ่อนหวานมาพูดกับเรานี่แ <c> ต <oughs> ่พูดกับคนอื่นเราไม่อยาอยาังไงเราคนคนนี้เคยทําความเสียหายกับเราคนคนนี้กําลังทําความเสียหายกับเรา คนคนนี้จักทำความเสียหายกับเราโกรธไหมคนสามกลุ่มนี่โกรธไม่โกรธคนคนนี้เคยทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักกำลังทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักจักทำความเสียหายกับคนที่เรารักโกรธไหมคนๆนี้เคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดกาลังทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดและจักไปทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด โกรธไหมเนี่ยสรุปแล้วมีเรื่องโกรธเยอะนะพยมเ น, น, นี่ยแค่เนี้ก็ย่อก็โกรธแล้วโอ้โหความโกรธมันเกิดได้ง่ายจริงนะใช่ไหมล่ะก็เขาจะทําประโยชน์ให้ใครทําไมเราต้องไปโกรธ ด, ด้วยเพราะอะไรแสดงว่าเราเนี่ยกํากับเ้าหมดเลยใช่ไหมติดขัดคับข้องมากอยู่กับไอ้ทิฏฐิเนี่ยทัศนคติความเห็นตรงเนี้ยเหนื่อยไหม ถ้ามาจะมาจัดแจงยอมเนี่ยว่ายอมจงนั่งฟังให้ดีถ้ายอมหลับมาทําไงถ้ายอมหลับไปทําไงอมาคิดยังไงดีถงึงมาจึงมีความสุขมาก็ต้องคิดโอเนี่ยแสดงเมื่อคือนเนี่ยนอนน้อยโอ้โหขอให้ยอมหลับแล้วมีความสุข แสดงว่าเสียงของอามาเนี่ยทำให้ยอมหลับได้เนี่ยโอ้โหดีมาก <c oughs> ขอให้หลับแล้วจนจิตสงบเยือกเย็นอย่าตื่นขึ้นมาฟุ้งซ่านนะอะอนีต่อตนนี้พูดคำที่มีเหตุผลหรือไรเหตุผลแล้วก็พูดด้วยเมตตา จิตหรือพูดด้วยโทสะจิตเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้แหละคำพูดที่มนุษย์ในโลกนี้พูดกันเนี่ยมีแค่นี้เองไม่มีเกินไปกว่านี้ถูกการหรือไม่ถูกการพูดคำจริงหรือคำเท็จพูดจาอ่อนหวานหรือหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาจิตและพูดด้วยโทสะจิตมีแค่ห้าอย่างนี่แหละบุคคลที่พูดอยู่อาจจะพูดตามการ ที่สมควรหรือไม่สมควรพูดเรื่องจริงหรือไม่จริงพูดคําอ่อนหวานหรือหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดเรื่องพูดด้วยเมตตาจิตหรือโทสะจิตเธอควรประพฤติข้อนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่หวั่นไหวนะจิตจะไม่หวั่นไหวจกไม่หน้านิวคิ้วขมวดจะไม่เป็นวาจาชั่วหยาบจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล อยู่อย่างเป็นผู้มีเมตตาจิตไม่โกรธมีเมตตาจิตไปในบุคคลนั้นอยู่นั้นเวลาเราเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็คือมีความรากักความปรารถนาดีไปในบุคคลนั้นและไม่ใช่แค่นั้นเพิ่มเพิ่มพลังของเมตตาให้กว้างใหญ่ให้ไพูโบ์ให้เจริญพิญโยภาพยิ่งๆขึ้นไปไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้น แม้เขาจะพูดกับเราเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรถูกการหรือไม่ถูกการพูดจริงหรือเท็จอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยโทสะจิตหรือพูดด้วยเมตตาจิตเนี่ยเราก็จะเป็นพูดตั้งจิตไม่หวั่นไหวทำจิตให้เยือกเย็นทำจิตให้สงบและในขณะเดียวกันแผ่ไม่ตีจิตแผ่เมตตาจิตไปหาบุคคลนั้นและเพิ่ม เพิ่มเมตตาจิตไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆให้กว้างใหญ่ให้ไพ่โบนไม่ใช่เพียงแค่คนคนนั้นขยายจากคนนั้นเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนไปจนหาประมาณมิได้ให้ได้เพราะยันจะต้องมีคนในโลกเนี้ยก็พูดอย่างนี้แหละเวลาจะพูดกับเราเกี่ยวข้องกับเราก็ได้ห้าอย่างนี่แหละพูดสมควรหรือไม่สมควรพูดจริงพูดเท็จอ่อนหวานหยาบคายมีเหตุผลไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาและพูดด้วยโทสะมันก็มีอยู่แค่นี้เองจริงไหม ถ้าตั้งหลักอย่างนี้เสียเนี่ยมันจะโกรธใครได้ไหมตอนนี้ยไม่น่าโกรธเลยเข้าใจอย่างเขาแพ่อย่างนี้เขาฝึกอย่างนี้เขาใไข้ครวญอย่างนี้ตลอดและต้องต้องรักษาเมตตาไว้อยากให้เมตตาเนี่ยหลุดไปจากใจเด็ดขาดรักษาเมตตาจิตไว้รักษาอโทกศาคือความไม่โกรธไว้เหมือนอะไรเหมือนทหารกล้ารักษาธงชัยเฉลิมพล ยอมตายแต่ไม่ยอมทิ้งธงจะตายก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งเมตตาเข้าใจไหมอันนี้เราเพอเกิดสถานการณ์ ใ, ใดๆว้างเมตตาทิ้งหมดเลยแต่เนี้ยไม่ใช่ทหารแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราไม่ให้ทิ้งเมตตาไม่ให้ทิ้งขันติมองออกไหมโยรักษาไว้รักษาไว้ให้ยิ่งกว่าชีวิต ยอมตายซะดีกว่าถ้าจะทิ้งเมตตาอย่างนี้นะยอมตายเหมือนถือธงชัยเฉลิมพลไว้อ่เพราะตอนนี้เราอยู่ในสนามรบหรือไม่อยู่ในสนามรบใช่สนามรบไหมเนี่ยสนามรบเราเป็นทหารกล้าของใครของพระพุทธเจ้าแล้วกล้าจริงไหมเนี่ยเห็นหน้าทหารกล้าแต่ละคนเน่าชินนักรบผู้เคร่งครัด เห็นนักรบกับกิเลสแล้วโอเ้เห็นน่าชื่นใจ ย, ยอมเป็นนักรบไหมรบกับกิเลสยอมจำนนต่อกิเลสหรือว่าจากักโซกับกิเลสแล้วงั้นก็ถือฐานที่มั่นคือเมตตาไว้อย่าให้ที่มั่นคือเมตตาหลุดลอยไปจากกระแสชีวิตฟังแล้วชื่นใจว้ยอมอย่างเงี้ยแต่ถือไม่เป็นเนี่ยทำไงมันหลุดหายไปเลยแล้วใครเอาเมตตาฉันไปไหน ก็อัญเชิญมาใหม่ฟังให้เกิดขึ้นทำให้เกิดเมตตา็นนามาทำรักษาไว้ยอมตายแต่ไม่ยอมทิ้งทงใช่ถ้าทิ้งเมตตาแล้วเนี่ยใช่ไหมมีชีวิตอยู่อย่างเป็นทาสของโทสะถึงมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่จะประเสริฐอะไรสู้ตายจะดีกว่าใช่ไหมล่ะ ตายซะดีกว่าอยู่อย่างเป็นทาตมันจะประเสริฐอะไรเราอยู่อย่างกับเป็นทาตของโทสะเป็นทาตของโลภะเป็นทาตของโมหะฉะนั้นรักษาไว้เราเหลือที่มั่นแค่ตรงนี้เองคือขันติและเมตตาเท่านี้เองมองเห็นไหมล่ะยอมพูดแล้วน่าทํำไหมเนี่ยเอามอายังอยากจะเจริญเมตตาจริงๆเลยนี่นนะพูดไปโ อ, อกจะหมดเวลาเลย เดี๋ยวคงเป็นตอนบ่ายเลยเนี่ยไม่หมดมันมีอุปมาเนีตรงนี้จริงๆก็คืออุปมาอีกนิดหนึ่งนะว่าเหมือนกับบุรุษคือทําจิตใจให้หนักประโดดดังแผ่นดินนี่ทนแบบตั้งรับนีแผ่นดินเนี่ยคนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไปเทไปลาดลดแผ่นดินแผ่นดินหวั่นไหวไหมเอาแต่นี้คนเอาจอบเนาะเอาจอบเนี่ยไปขุดแผ่นดิน ไปขุดไปบดทุสร้ายเนี่ยเพื่อต้องการขุดแล้วก็ไปกระทำว่าจงอย่าเป็นแผ่นดินจงอย่าเป็นแผ่นดินถามว่าทําสามารถจะทําให้สําเร็จได้ไหมทําแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินสามารถทําได้ไหมแล้วก็ขุดนะขุดเอาเศษดินทิ้งลงไปบ้วนน้ําลายถ่ายอยุจจาระรดเนี่ยบอกว่าสามารถทําแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินได้ไหม ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแผ่นดินใหญ่นี้มีความหนาเขาจะกระทำไม่ให้เป็นเป็นแผ่นดินไม่ได้เลยลําบากแน่นอนฉะนั้นถ้อยคําที่บุคคลพูดกับเราเราจงทําจิตใจของตัวเองให้หนักประดุดดังแผ่นดินยิ่งใหญ่ประดุดดังแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลประดุดดังแผ่นดินมั่นคงประดุดดังแผ่นดินคนที่จะพูดกับเราเนี่ยพูดถูกการหรือไม่ถูกกาจะพูดอ่อนหวานหรือหยาบคาย จะพูดจริงหรือพูดเท็จจะพูดมีเหตุผลรไร้เหตุผลจะพูดด้วยเมตตาจิตหรือพูดด้วยโทสะจิตจิตของเราก็จะทําอุปมาประดุจ ด, ดังแผ่นดินไม่หวั่นไหวไม่สะทกสถานทําให้เกิดความมั่นคงให้มีเมตตาจิตแผ่ไปอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลแผ่ไปกับบุคคลที่กําลังประทุษร้ายเราแล้วก็แผ่ไปจนหาประมาณไม่ได้นี้เป็นต้นทําได้เวลาเนี่ยเอาอุปม า, ปมาแผ่นดินมาเห็นแผ่นดินเมื่อไหร่ก็นึกโอ้โห จิตมันคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเอาแล้ว น, นี้สมควรเก็วเวลาแล้วใช่ไหมสมควรแล้วนะ อ, อู้ทิศส่วนกุศล ก, กันหน่อยตั้งใจแผ่เมตตาจิตด้วยนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กษัตริย์ประสัตรทั้งหลายทําจิตตั้งมัน่นประดุดังแผ่นดินหรือยังตั้งมั่นแล้วนะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานต่อ เสียงชมเสียงสรรเสริญทั้งหมดมีจิตหวั่นไหวในจิตอย่างนี้เ็าเรียกว่ามั่นคงในกุศลแล้วก็จะได้น้อมกุศลที่ทำมาทั้งหมดอุทิศในกษัตริย์สัพพสัตตังหลาย